เรื่องเล่าผีหลอนตอนผีม้าบ้องเรื่องนี้มีคุณลุงท่านหนึ่งท่านได้เล่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6 0ถึงเจปีที่ผ่านมาที่จังหวัดเชียงใหม่โดยขณะนั้นคุณลุงยังเป็นเด็กหนุ่มอยู่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ในสมัยนั้นความเจริญยังไปไม่ถึงไฟฟ้าก็ยังไม่มีใช้ ถนนหนทางก็มีน้อยเวลาไปไหนก็ต้องเดินลัดกลางทุ่งนาไปเช่นจะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งทางมันไกลและถนนก็อ้อมจึงต้องใช้วิธีการเดินลัดกลางทุ่งนาไปคุณลุงเล่า ว, ว่าบ้านของคุณตาอยู่ติดชายทุ่งคือเดินลงไปก็เป็นที่นาเลยสมัยหนุ่มๆ น, นั้นลุงก็ชอบไปเที่ยวจีบสาวซึ่งสมัยนั้นเขาจะไปเที่ยวจีบสาวกันตอนกลางคืน เนื่องจากกลางวันจะต้องทางานคุณลุงได้ไปติดพัน์สาวที่หมู่บ้านอื่นซึ่งคุณตาก็เคยเตือนไว้แล้วว่าให้ระวังผีมาบ้องมันจะทำอันตรายให้นะตอนนั้นคุณลุงอยู่ในวัยรุ่นคึกขนองก็คงไม่ได้กลัวและคงคิดว่าคุณตาคงพูดหลอกเอาไว้ให้กลัวเท่านั้นเองเพื่อไม่อยากให้คุณลุงออกไปเที่ยวกลางคืน มีอยู่คืนหนึ่งคืนนั้นเป็นคืนเดือนไหสักสัก1ามขําเห็นจะได้คุณลุงก็เตรียมตัวจะออกบ้านแต่ม่ใยที่คุณตาจะทักทวงเรื่องผีมาบ้องเพราะมีคนเขาเจอกันบ่อยและเป็นที่หวาดกลัวของคนย่านนั้นคุณลุงก็ไม่ได้เชื่อแต่อย่างใดยังคงดื้อดึงที่จะออกไปพอออกไปกับพักพวกเพื่อนๆที่เป็นกลุ่มกันหลายคนก็เดินลัดท้องทุ่งออกไปท่ามกลางคืนเดือนไย ทำให้การเดินทางนั้นค่อนข้างสะดวกพอไปถึงหมู่บ้านของสาวต่างคนก็ต่างแยกย้ายเข้าไปเที่ยวบ้านสาวของใครของมันแล้วค่อยนัดเจอกันกี่โมงก็ว่ากันไปเพื่อที่จะได้เดินกลับพร้อมกันแต่คืนวันนั้นคุณลุงบอกว่าได้พูดคุยกับสาวที่คุณลุงจีบอยู่จนเพลินไปหน่อยเลยอยู่เสียจนดึกพอจะกลับไปก็เรียกเพื่อนๆตามบ้านสาวคนนั้นคนนี้แต่ปรากฏว่า เพื่อนๆเขากลับไปกันหมดแล้วโดยที่ไม่ได้รอคุณลุงเลยคุณลุงก็ต้องเดินกลับคนเดียวขณะที่คุณลุงเดินทางผ่านมาถึงกลางทุ่งนาพลันก็ได้ยินเสียงม้าร้องดังมาแต่ไกลซึ่งในขณะนั้นเดือนไหสว่างจ้าคุณลุงก็มองไปรอบทุ่งก็ไม่เห็นมีม้าสักตัวใจก็เริ่มนึกถึงคำของคุณตาที่ท่านได้เคยบอกไว้ เกี่ยวกับผีม้าบ้องนึกแล้วก็ขนลุกสู้เท้าก็เริ่มเร่งขึ้นเร่งขึ้นไม่ถึงชั่วอึดใจเสียงวิ่งของม้าก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามามีความรู้สึกว่ามันมาอยู่ใกล้ด้านหลังกึงวิ่งกึงเดินพอเหลียวไปดูเท่านั้นแหละคุณลุงแทบจะช็อกเพราะคุณลุงเห็นเต็มตาเลยว่ามีม้าตัวเป็นครึ่งคน ครึ่งมา้าผมยาวใบหน้ายาวเหมือนมา้าฟันใหญ่น่ากลัวมากสุดจะบรรยายกันเลยทีเดียวถึงตอนนี้คุณลุงไม่คิดอะไรแล้วได้แต่วิ่งอย่างเดียวคือว่าให้พ้นจากตรงนั้นเป็นดีที่สุดยิ่งวิ่งก็ยิ่งตามมันตามมาติดๆคุณลุงก็วิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตเพื่อที่จะไม่ให้มันวิ่งมาทันในเวลาที่จวนตัวอยู่นั้น คุณลุงก็เหลือบไปเห็นหัวควายแห้งที่อยู่กลางทุ่งนาก็ก้มหยิบหัวควายแห้งนั้นเวียงไปใส่มันพอดีกับที่มันหันมาสนใจหัวควายแห้งอันนั้นคุณลุงก็วิ่งพลางหันไปดูพลางเห็นมันกําลังแทะหัวควายแห้งอยู่คุณลุงวิ่งมาจนถึงบ้านด้วยความปลอดภัยคุณลุงบอกว่าถ้าไม่มีหัวควายแห้งช่วยเอาไว้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง นับแต่นั้นมาคุณลุงก็ไม่เคยไปแอวสาวกไกลๆอีกเลยคุณลุงยังบอกอีกว่าคืนไหนที่คืนเดือนไงคุณลุงชอบออกมานอนนอกชานบ้านตอนดึกๆ ก, ก็มักจะได้ยินเสียงม้าวิ่งและเสียงร้องของมา้าแว่วมาแต่ไกลจากท้องทุ่งนา